อุณหิสะวิชยคข า, าอัธิอุณหิสะวิชโยธัมโมโลเกอนุตตโรสพสัตตะหัตตายะตังตะวังคันหาหิเทวเตปริวัตเชราชาทันเทอมนุสเสหิปาวะเกพยักเเนาเคกวิเสภูเตอากาละมรเนนะวา สัพพสมัมามรณาุตโตถเปตวากาลมาริตังตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโสุขีสทาสุทธสีลังสมาทายะธรรมังสุจริตังจเรตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโสุขีสธาลิกิตังจินติตังปูชังทารณังวาจนังขะรง ปะเรสังเทสะนังสุตวาตัดสะอายุปวัตติติ